สวัสดีพวกเราทั้งหลายหลวงพ่อก็ไม่มีอะไรจะมาฝากนอกจากธรรมะและเรียกว่าปฏิสันฐานการต้อนรับหลวงพ่อก็ใช้ธรรมะเป็นเครื่องต้อนรับธรรมะมันมีหลายอย่าง อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกถึงแปดหมื่นสี่พันระธรรมขันธ์มากมายแต่ว่าสิ่งที่มากมายเหล่านั้นการที่จะเป็นประโยชน์นั้นก็เป็นประโยชน์เฉพาะเฉพาะส่วนเล็กๆน้นนอยๆทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าเราเปรียบเหมือนกันกันกบคนที่เขามี อาหารเยอะๆมีข้าวเป็นยุ้งเป็นฉามมีกับข้าวมีอาหารสารพัดมากมายแต่เวลาจะรับประทานนั้นเอามาทีเดียวหมดไม่ได้ต้องเลือกเอารับประทานอาวันนี้จะรับประทานอะไรวันนั้นจะรับประทานอะไรอย่างนี้มากก็เจ็งแต่ว่า ส่วนที่เป็นประโยชน์แท้จริงคือการที่อาหารนั่นได้มาเปิบใส่ปากเรียกว่าคำเดียวนั่นแหละฉันใดก็ดีทำแม้จะแปดมื่นสี่พันทำมขันพระองค์ก็ย่อลงมาในตัวของคนนี่เรียกว่ากายกับจิตไม่ได้มีนอกเหนือไปจากนี้เพราะอะไรเพราะว่า ไม่ว่าพราะองค์จะแสดงทําที่ไหนหรือว่าแสดงทําข้อใดก็จะต้องสอนกายกับจิตสอนมนุษย์มนุษย์ก็คือกายกับจิตเพราะฉะนั้นตัวมนุษย์นี่จึงเป็นตัวเทศรองรับคําสั่งสอนของพระสัมมาสมพุทธเจ้าหรือเรียกว่ารับรองรับธรรมะทีนี้ธรรมะที่จะกล่าวในวันนี้ก็คือ ความซื่อสัตย์ความสุจริตความซื่อมสัตย์สุจริตนั้นมันมีอยู่สองประการซื่อสัตย์สุจริตในภายในจิตใจเสื่อสัตย์สุจริตต่อนในการกระทําการกระทำเขาเรียกว่ากายกรรมสามวิจีกรรมสี่อะไรก็ว่าไปตามนั้นก็มีเรียกว่าสุจริตถ้าหากว่ากรงกันข้ามก็สุจริตก็เป็นทุจริต ทุจริตก็คือความโกงความเท่ลักการขโมยการยักยอกการเท่กระทำผิดเรียกว่าเป็นสิ่งเทผรร่ผิดธรรมะผิดธรรมะเรียกว่ากายไม่สุ จ, สจริตแล้วแต่ถ้ากายสุจริตก็คือเมื่อทำลงไปแล้วก็มีความซื่อสัตย์มีความสุจริต อ ะ, อะไรต่ตางๆเหล่านี้ความช่วยสัตว์นั้นมันเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลถ้าหากว่าประเทศใดมีความซื่อสัตว์คือมีความซื่อสัตว์แล้วรักกฎหมายก็อยู่เย็นเป็นสุขหลวงพ่อได้มาดูอย่างประเทศที่แคนาดาก็ได้มาดูอ ะ, อะไรตัอะไรก็เคารพกฎหมาย โลกกฎหมายมันก็เลยไม่มีการช่กอกงมีก็บ้างเป็นเล็กน้อยไม่มากมายอะไรแล้วก็สามารถอยู่กันได้อย่างมีความสงบสุขหรือว่าไม่ว่าประเทศใดล่ะถ้าหากว่ามีความสุจริตแล้วก็มีก็ต้องอยู่เป็นสุขอันนี้ก็าเรียกว่าซื่อสัตย์สุจริตและ เออซื่อสัจสุจริตแท้จริงลงไปที่จิตใจของเรานั้นซื่อสัต์ต่อการปฏิบัติธรรมะเพราะว่าการปฏิบัติธรรมะนั้นเราเอาตรงว่าการปฏิบัติสมาธิการปฏิบัติสมาธินั้นเราปฏิบัติไปอนิสงส์ก็เกิดขึ้นพราะว่าเจ้าตรัสว่าให้ทาน1 0อยครั้งไม่เท่ารักษาศีลครั้งหนึ่งรักษาศีลร้อยครั้ง ไม่เท่าทำสมาธิครั้งหนึ่งนี่คืออานิสง์ทำไมจึงยกให้สมาธินันน่ะมีอานิสง์มากเพราะว่าสมาธิเนี่ยสามารถผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตแล้วพลังจิตก็สามารถควบคุมจิตใจได้คนเราเมื่อควบคุมจิตใจได้แล้วเนี่ยธรรมะก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อทำสมาธิแล้วเกิดพลังจิต บุญก็ดีวาสนาก็ดีบรารมีก็ดีไปรวมกันอยู่ที่พลังจิตนั่นแล้วก็เก็บไว้ในจิตใจของบุคคลผู้นั้นเมื่อสามารถทําสมาธิได้ก็มีพลังจิตเมื่อมีพลังจิตได้ก็สามารถควบคุมจิตเมื่อสามารถควบคุมจิตได้ก็ปฏิบัติทำได้ธรรมะก็หลั่งไหลเข้ามาคนที่ไม่ได้ปฏิบัติสมาธิ มีความไม่มั่นคงเนี่ยก็ทำความดีได้ยากแต่ผู้ที่มีสมาธิมีความมั่นคงแล้วก็ทำความดีได้ง่ายสวัสดีสาธุ